รายการ r e ส c r ร์ดออนเรดโดยเฉลิมรัตน์น้อยกลางและฉลิตากิติพันธ์สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบญุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม r e ส c r ร์ดออนเรดช่วงกาชาทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขาช่วงกาชาดนิวส์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญแพทย์พยาบาลนิสิตแพทย์และประชาชนทั่วไปชมในทศการทักคู่ฟ้าภูมิสิริมังคลานุสร์สายน้ำแห่งชีวิตพื้นป่าแห่งการรักษาเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ พ, พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พ, พระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์ นรงพยาบาลจุาลาลงกสภากาชาติไทยเมื่อวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาค่ะ ทางคณะผู้บริหารและก็บุคลากรโรงพยาบาลสาราญกรสภากาชาติไทยซึ่งได้ร่วมการจัดในทศการเฉลิมพระเกียรติทักคู่ฟ้าภูมิศริมังครานุสรขึ้นค่ะค่ะบริเวณโถงทางเดินชั้น1ค่ะอาคารภูมิศริมังครานุสรผ่ายใต้แนวคิดสายน้ำแห่งชีวิตผืนป่าแห่งการรักษากเพื่อ น, น้อมล้ำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินี พระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นเสมือนดั่งป่าและน้ำนะคะของชีวิตชาวไทยทั้งปวงค่ะโดยภาพในนิทรรศการนะคะได้แสดงแบบจำรองอาคารภูมิสริมงครานุสรณ์และจัดแบ่งเนื้อหานิทรรศการออกเป็น6โซนค่ะซึ่งโซนที่1 น, นะคะเป็นทะคู่บารมี6แผ่นดิน ซึ่งจัดแสดงสารคดีภาพถ่ายพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพรมหากษัตรอาทิราตเจ้าตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงรัชกาลปัจจุบันที่ส่งมีต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาค่ะโซนที่สองนะคะพระราชกรณียกิจทักคู่ฟ้าภูมิศริมังคลานุสร์จัดแสดงภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชและสมเด็จพระนางเจ้า สริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชอิสริยยศและพระราชอิสริยยศในขณะนั้นและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารที่ได้เสด็จพระราชดําเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล่นกล้า ที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และก็สาธารณสุขเพื่อปวงประสบนิกกรชาวไทยค่ะ โซนที่3วงปีก่อร่างสร้างภูมิสิริมังคลานุสร์จัดแสดงแผนภาพลำดับเหตุการณ์ให้ผู้ชมได้ร่วมสัมผัสกับประวัติศาสตร์การก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์นะคะโดยรวบรวม20เหตุการณ์สำคัญของอาคารใหม่หลังนี้นำเสนอผ่านแนวคิดวงปีของต้นไม้และสำหรับโซนที่4ค่ะ Directory of ภ h u ิ h i s i r i m a n g จัดแสดงจอวิดีทัศน์ผังแสดงอาคารและส่วนการบริการ ขององาาคภาูมิิรโซนที่ห้าส่วนความเป็นเลิศทางการแพทย์สหสขาวิชาชีพได้จะแสดงข้อมูลโดยสังเกตของ22ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยแบ่งเป็นด้านต่างๆนะคะได้แก่ด้านประสาทศาสตร์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะด้านผู้สูงอายุด้านโรคไม่ติดต่อด้านโรคอุบัติใหม่ด้านมะเร็งคบวงจรและด้านผลิตภัณฑ์ขั้นสูงค่ะ และโซนที่6โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามธิบดีศีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวจัดแสดง22โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงโดยแบ่งเป็น6กลุ่มโครงการใหญ่ค่ะซึ่งโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และเป็นปีมหา몽 คนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชาธริรมพกสภากาชาติไทยส่งเจริญพระชนพรนษา67พรนษาค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในช่วงสนทนารอบหัวค่ะ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 สอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653 Let's c a l t on radio ช่วงสนทนารอบรั้ว ช่วงสนทนารอบรัวนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของการเกิดภาวะเบิร์นเอา์หรือที่เราเรียกกันว่าหมดไฟในการทำงานยังถือเป็นภาวะคุกคามคุณภาพชีวิตแห่งโลกในยุคใหม่ด้วยค่ะ ภาวะคุกคามคุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบันนะคะอาจไม่ใช่เพียงแค่โรคทางกายเท่านั้นค่ะแต่สภาวะความผิดปกติทางจิตใจค่ะกำลังเป็นภัยเงียบที่คุกคามคนวัยทำงานยุคนี้นะคะล่าสุดภาวะนี้นะคะกำลังเป็นที่กล่าวถึงในโรคออนไลน์อย่างแพร่หลายค่ะส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนคนทำงานนะคะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานค่ะไม่มีใจหมดแรงและหมดไฟที่กำลังเผชิญอยู่นั่นเองค่ะ องค์การอนามัยโลกนะคะประกาศว่าจะใช้มาตรฐานการจัดกลุ่มโรคฉบับปรับปรุงครั้งที่11ในวันที่1มกราคม2565หรือคริสตสกราช2022ค่ะและมีข่าวมาว่าองค์การอนามัยโลกจะถือว่าภาวะหมดไฟเป็นโรคหรือเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ซึ่งต่อมาองค์การอนามัยโลกได้แก้ข่าวนะคะโดยบอกว่าสื่อมวลชนนั้นเข้าใจผิดค่ะเพราะภาวะหมดไฟนั้นไม่ใช่โรคและแนะนําให้จํากัดการเรียกภาวะหมดไฟนี้เฉะ เีในคนทำงานหรือประกอบอาชีพเท่านั้นนะคะไม่ใช้คำนี้ในภาวะที่มีความรู้สึกลบหลายอย่างที่คล้ายกันแต่ว่ามีสาเหตุจากอย่างอื่นเช่นจากครอบครัวคนรักหรือเรื่องส่วนตัวค่ะ ศาสตราจารย์ดร์ในแพทย์พรชยัยสิทธิสรันกุลผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยด้านส่งเสริมและฟื้นฟูและแพทย์ผู้ชี่วชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมกล่าวว่าภาวะหมดไฟในการทํางานไม่ใช่โรคค่ะแต่เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดจากการทํางานซึ่งภาวะนี้ไม่ใช่ความผิดปกติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นค่ะแต่เป็นหัวข้อที่มีการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษแล้วนะคะปัจจุบันนะคะภาวะหมดไฟในการทํางานได้ถูก ถึงอย่างแพร่หลายจากสื่อมวลชนแล้วก็รวมถึงประชาชนที่ใช้โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะด้วยความรู้สึกเชื่อมโยงกับอาการหมดไฟที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างในแวดวงการทำงานเดียวกันค่ะ เมื่อถามถึงสาเหตุของภาวะเบิรนเอ้านะคะกล่าวได้ว่าเป็นผลกระทบจากการขาดสมดุลชีวิตและการทำงานซึ่งทําให้เกิดปัจจัยต่างๆนํามาซึ่งภาวะหมดไฟในการทํางานนั่นเองเช่นการขาดการบริหารจัดการและการตัดสินใจที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพการทํางานที่มีความกดดันและความเครียดอยู่ตลอดเวลาขาดความชัดเจนในภาระงานไม่ได้การยอมรับจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานมีความรับผิดชอบในงานและความคาดหวังในการทํางานที่สูงมากเกินไปหรือว่าทำงาน งานที่ไม่เหมาะกับตนเองจนทำให้เกิดความเครียดทำงานที่มีความวุ่นวายต้องใช้พลังงานสูงจึงเหนื่อยล้าง่ายและขาดแรงสนับสนุนทางสังคมค่ะ เมื่อเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานนะคะอาจมีสัญญาณบง่งบอกถึงความผิดปกติทางร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดศีรษะค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงอ่อนเพลียภูมิคุ้มกันต่ำนะคะอันเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเจ็บป่วยอื่นๆตามมาได้บ่อยขึ้นแล้วก็ความผิดปกติที่เกี่ยวกับการนอนค่ะเช่นการนอนไม่หลับค่ะ สำหรับความผิดปกติทางอารมณ์นะคะได้แก่รู้สึกล้มเหลวสิ้นหวงังหงุดหงิดง่ายกังวลใจทุกครั้งที่ต้องไปทํางานขาดแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นในการทํางานขาดสมาธิและความคิดริเริ่มสร้างสารรค์เกิดทัศนคติเชิงลบต่อ ง, งานและผู้ร่วมงานรู้สึกโดดเดี่ยวอีกทั้งมีความผิดปกติทางพฤติกรรมค่ะเช่นการขาดความรับผิดชอบต่อ ง, งานหลีกเลี่ยงการทํางานปลีกตัวออกจากสังคมส่วนรวมอาจมีการใช้ยาหรือว่าแอลกอฮอล์รวมไปถึงการทานอาหารมากขึ้นเพื่อที่ จะปลอบประมตัวเองจากภาวะดังกล่าวค่ะ ศาสตราจารย์ดร์ไนแพทย์พรชัยนะคะอย่างแนะนําว่าการลดความเสี่ยงและก็การรักษาอาการนะคะของโรคภาวะหมดไฟในการทํางานในเบื้องต้นนะคะที่จะสามารถเริ่มได้ด้วยตนเองนั่นก็คือการปรับสมดุลการใช้ชีวิตส่วนตนัวแล้วก็การทํางานได้อย่างทันทีค่ะเพื่อไม่ให้ร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะซุดโทมลงไปมากกว่าเดิมค่ะเช่นการนอนพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอการรับประทานอาหารให้ครบทุกมือ้อและก็เลือกรับประทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการออกกําลังกายหรื หรือาทากิจกรรมที่ชอบค่ะหรือจํากัดเวลาในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและโซเชียลมีเดียจัดลาดับความสําคัญของงานและเวลาในการทํางานสร้างขอบเขตในการทํางานเพื่อลดการแบกรับภาระ ง, งานที่มากเกินไปนะคะปรับมุมมองหรือว่าทัศนคติให้เห็นถึงคุณค่าของงานที่ทําอีกทางการช่วยเหลือผู้อื่นเล็กน้อยในชีวิตประจําวันออกไปทํากิจกรรมจิตอาสาก็จะทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นค่ะถือเป็นส่วนสําคัญในการช่วยลดความเสี่ยงของภาวะเบื่อเอาได้นะคะ เพราะหัวใจสําคัญของการป้องกันและก็รักษาภาวะหมดไฟในการทํางานคือการจัด ก, การและก็รับมือกับความเครียดในชีวิตประจาําวันไม่ให้สะสมจนบั่นทอนสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตจนเกิดเป็นภาวะหมดไฟในการทํางานนั่นเองค่ะพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพกันต่อค่ะ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 สู่ช่วงความรู้คุ่สุขภาพค่ะวันนี้มีประโยชน์ของฟักทองแล้วก็มล็ดฟักทองมาฝากกันนะคะซึ่งฟักทองในบ้านเรานะคะมีการกินเป็นอาหารกันมา น, นานอยู่แล้วนะคะทั้งประกอบอาหารข้าวแล้วก็อาหารหวานค่ะเป็นเมนูต่างๆมากมายซึ่งคุณผู้ฟังบางท่านนะคะจะไม่ทราบว่าฟักทองแล้วก็มล็ดฟักทองนะคะเป็นแหล่งอุดมสารอาหารมากมายเลยละคะ่ะ ฟักทองเป็นแหล่งแร่ธาตุโพแทสเซียมและเบต้าแคโรทีนค่ะโดยมีสารแคโรทีนอยด์สารตั้งต้นของวิตามิน A และยังประกอบด้วยแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมกลุ่มของวิตามิน E, วิตามิน C วิตามิน B นอกจากนี้ประโยชน์ของฟักทองยังทำให้ผิวสวยนะคะเนื่องจากฟักทองอุดมไปด้วยวิตามิน C และ E มีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งทั้งหมดเป็นสารอาหารที่สาคัญและมีประโยชน์กับสุขภาพผิวค่ะ ฟักทองนะคะช่วยให้ดวงตาสดใสค่ะสุขภาพดีแล้วก็การขาดวิตามิน A จะส่งผลให้การมองเห็นแล้วก็ตาบอดได้นะคะสารเบต้าแคโรทีนวิตามิน C วิตามิน E สามารถช่วยป้องกันดวงตาและลดปัจจัยเสี่ยงดวงตาเสื่อมแล้วก็โรคเกี่ยวกับดวงตาได้นะคะอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงโรคกลุ่มเมตาบอลิกได้นะคะแล้วก็ฟักทองนะคะอย่างดีต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคได้ค่ะ ฝักทองช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ค่ะโดยมีส่วนประกอบของสารแอนตี้ออกซิแดน์เช่นสารแคโรทีนอยด์วิตามินเอวิตามิน E ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสามารถหาได้ในฝักทองและก็ยังมีงานวิจัยพบว่าสามารถป้องกันโรคมะเร็งเต้านมได้อีกด้วยค่ะ ฟักทองนะคะช่วยลดน้ําหนักค่ะถือเป็นอาหารที่อุดมด้วยสารอาหารแต่อย่างไรก็ตามนะคะพบว่าฟักทองเนี่ยยังให้พลังงานแคลอรี่ต่ํามากอย่างเหลือเชื่อเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยสารอาหารก็ตามนะคะแต่ฟักทองปริมาณ2อ5ก ร, รัมต่อถ้วยนะคะให้พลังงานที่ต่ํากว่า50แคลอรี่ต่อถ้วยค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยนะคะปริมาณของน้ํามากถึง 94% เเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าฟักทองค่ะเป็นแหล่งของใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์ที่ดี ซึ่งสามารถช่วยลดความอยากอาหารได้นั่นเองค่ะส่วนประโยชน์ของมเมล็ดฟักทองนะคะเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยอาหารและกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ดีต่อสุขภาพหัวใจนะคะนอกจากนี้ในมเมล็ดฟักทองยังเป็นแหล่งโปรโตีนเข้มข้นแร่ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายค่ ะ, มะเมล็ดฟักทอง100กรัมให้พลังงาน559แคลอรี่โปรโตีนธาตุเหล็กในอาซินซิลิเนียมสังกสีกรดอะมิโนและไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะ มเมล็ดฟักทองนะคะช่วยบรรเทาอาการของต่อมลูกหมากโตได้ค่ะภาวะที่มีต่อมลูกหมากโตขึ้นนะคะจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายปัสสาวะที่ยากขึ้นกระปิดกระปล่อยแนะนำให้กินสารสกัดจากมเมล็ดฟักทองนะคะวันละประมาณสิก ร, รัมค่ะจะช่วยให้อาการต่อมลูกหมากโตดีขึ้นได้ค่ะ เมล็ดฟักทองช่วยเพิ่มคุณภาพของอสุจินะคะสาเหตุที่ทําให้มเมล็ดฟักทองมีประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณภาพของอสุจิก็เพราะว่ามีแร่ธาตุสำคัญอย่างสังกสีค่ะเพราะหากปริมาณสังกสีในเลือดต่ํามีความสัมพันธ์กับคุณภาพของจํานวนอสุจิที่ลดลงและมีความเสี่ยงทําให้ผู้ชายเป็นหมันเพิ่มขึ้นอีกทางมเมล็ดฟักทองยังเป็นแหล่งที่อุดมด้วยแร่ธาตุสังกสีสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของตัวสุจิได้และมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารอื่นๆที่สามารถช่วยในการทํางานของ พมนเพศชายได้อีกด้วยค่ะกินเมล็ดฟักทองนะคะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นค่ะกดอะมิโนโทิปโตฟานในเมล็ดฟักทองนะคะมีปริมาณที่สูงมากค่ะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับของเราได้ค่ะ การกินกรดอะมิโนทิฟตโตฟานวันละประมาณ1กรัมนะคะสามารถทําให้ประสิทธิภาพของการนอนหลับดีขึ้นได้ค่ะคิดเป็นเมล็ดฟักทองประมาณ200กรัมและในเมล็ดฟักทองนะคะยังมีแร่ธาตุสังกสีค่ะที่สามารถช่วยแปลงกรดอะมิโนทิปโตฟานไปเป็นสารซีโรโทนินในการควบคุมฮอร์โมนเมลาโทนินที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับค่ะแล้วก็เป็นแหล่งของแรถถ่ธาตุแมกนีเซียมนะคะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการนอนได้อีกด้วยค่ะ และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะขอฝากเมนูฟักทองให้คุณผู้ฟังได้ลองปรับไปทำทานกันดูค่ะไม่ว่าจะเป็นสังขยาใบาเตยในฟักทองแกงฟักทองพริกเผาปลาดุกย่างใส่น้ำพริกเผาแทมพริกแกงก็อร่อยไปอีกแบบค่ะหรือว่าจะเป็นฟักทองผัดไข่ซึ่งเป็นเมนูง่ายๆแต่มากด้วยคุณประโยชน์สหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ